บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงความผิดในข้อกล่าวอ้างของพวกมุสลิกีนเกี่ยวกับอัลกุรอานและกล่าวว่าอัลกุรอานนั้นเป็นข้อตักเตือนของอัลลอ์แกบวงบ่าของพระองค์ด้วยพระนามของอ AH ัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวและเมื่อบันดาดวงดาวร่วงหล่นล ง, ล ง, ลงและเมื่อบันดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายลตตลลและเมื่ออูดท้องสิบเดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ ป, ป่าถูกนำมารวมกันล رت, ลและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟ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 ข้าขอสาบานต่อดวงดาวพิ่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรรับดวงขลลสส้าขอสาบาด้วยกลางคืนเมื่อมันมืดมิอและด้วยเวลาเช้าตรูเมื่อมันทอแสงข้าขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันมืดมิดและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูนยิบรออีนผู้ทรงเขียนผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงนพระเจ้าแห่งบัลลังที่มั่นคง ผู้ได้รับการจงรักรภักดีผู้ซื่อสัตย์นที่โน้นนัที่พระผู้เป็นเจ้าและทายของพวกเจ้าคือมุฮัมมัดัลนไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนมุฮัมมัดได้เห็นยิบรอินนขอบฟ้าอย่างชัดแจ้ง และเขามัวหมัดไม่ใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเร้นลับ ال ด่านกรานี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยตอนที่ถูกสาปแช่ไและพวกเจ้าจะไปทางไหนเราด่านกรานี้ไม่ใช่คำกล่าวของชายตอนที่ถูกสาปใช่มและพวกเจ้าจะไปทางไหนรา อัลกุฬานั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาิทั้งหมดสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอเที่ถูกต้อ ง, ง ا أ และพวกเจ้าไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่ลล l a h พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์